ซีดีธรรมปัญญายจุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระปรมคุ่นาพรปออประยุตโตวัดยา น, นเวศสส ก, กวันตําบลบางกระทึกอำเภอสามพ ร, รานจังหวัดนครปฐม เรื่องที่เจ็เรื่องจะเป็นนักทำงานที่แท้ได้ต้องรู้จักขยายโลกกระนัดบรรยายเมื่อวันที่28รกรกฎาคมพุทธศักราช2538นี้ก็มอยสาินี้ก็มาคำนึงถึงว่าท่านที่มา เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลสุขไก่ก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของคนเจ็บคนไข้การรักษาพยาบาลอันนี้ก็เรียกกันง่ายๆก็เป็นงานประเภทบริการสังคมแต่งานบริการสังคมนั้นมีหลายอย่างบริการสังคมบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ว่าเพิ่มความสนุกสนานอะไรต่างๆไปหรือว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ แต่ของท่านที่อยู่โรงพยาบาลนี้จะมีลักษณะพิเศษเป็นบริการสังคมแก่คนที่เรียกได้ว่ามีความทุกข์คือเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่มีความแปลกดวงทางสภาพร่างกายร่างกายไม่ปกติอันนี้ก็เป็นธรรมดาของชีวิตคนเรานี้ร่างกายกับจิตใจอาศัยซึ่งกันและกัน เวลาร่างกายแปรปรวนไปแล้วก็มักจะพาให้จิตใจแปรปรวนไปด้วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายและใจก็มักจะไม่ค่อยดีคือจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายอย่างน้อยก็หงุดหงิดง่ายทีนี้ทําไม่หงุดหงิดหรือยิ่งก็หงุดหงิดเพิ่มขึ้นมาอีกก็ถือว่าความเจ็บป่วยก็ทําให้เขาเกิดอารมณ์ความกลัวความหวาดต่อภัยเช่น นึกถึงว่าโรคของตัวจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือเปล่า อ, อย่างนี่เป็นต้นในความกลัวก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกไม่ดีทางจิตใจขึ้นมานะแล้วก็เป็นความหวงอีกนะ่ะจิตใจก็เป็นนึกถึงญาติพี่น้องนึกถึงเงินทองทรัพย์สมบัติน่นะคนในครอบครัวที่เจ้าดูแลรับผิดชอบจะเป็นยังไงอ้าวเกิดความห่วงใยอีกสภาพจิตยิ่งไม่ดีใหญ่นะคือสารพัดแหลนะนในบางคนก็เกิด ความเสียกำลังใจนึกถึงข้างนอกนึกถึงคนอื่นก็ห่วงใหญ่นึกถึงตัวเองก็มีความหวาดกลัวแล้วก็แล้วก็บางคนก็ท้อแท้หมดกำลังใจล้วนแต่สภาพจิตที่ไม่ดีะความห ง, งุดหงิดเกิดตามความหวาดความกลัวความห่วงใหยความท้อแท้หมดกำลังใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสภาพจิตที่ไม่ดีเท่านั้นสแสดงว่าเป็นผู้ที่ต้องตารความชื่อไม่เฉพาะทางกายเท่านั้นจะต้องการความชื่อหรือาทางใจด้วย ทางใจทางกายแล้วเราเห็นชัดแล้วเขาเขาป่วยมาเขาก็องมีเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งโรคเวลาบอกก็บอกทางกายแต่ทางใจนะี่เขาไม่ได้บอกทีนี้ทางใจไม่ได้บอกเนี่ยเราก็มองโดยที่สังเกตพิจรารณาหรือคาดหมายแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็พอจะพูดได้ว่าย่อมมีสภาพจิตใจที่ไม่สบายนะก็รวมความว่าต้องการความชื่อเหลือนะมีความทุกมาเนะี่ย ทำไงจะช่วยแก้ไขทั้งทางกายและทางใจนี่เวลาเรารักษาพยาบาลนี่ก็มักจะเน้นเรื่องของกล้างกายเนะีเพราะว่าสิ่งส่วนที่บอกก็คือบอกเรื่องเจ็บป่วยทางกายว่าปวดหัวตัวร้อนเนะีเป็นโรคท้องเสียนี่ง่ายๆอาจจะมีโรคอวัยวะภายในโรคปอดโรคหัวใจโรคตับโรคอะไรต่างๆนะีกระเพาะลำไสนะ้สารพัดเป็นะโรคร้ายก็อาจจะเป็นมะเร็งอะไรนี่ ก็เป็นเรื่องทางกายเท่านั้นเป็นส่วนที่บอกแต่ส่วนทางใจนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็เรียกว่าต้องเตรียมใจไว้เลยว่ า, ต, วาต้องรักษาคนป่วยคนไข้ทั้ ง, ท, งทางด้านกายและจิตใจนะไม่ใช่รักษากายอย่างเดียวแตนี้แต่ทีนี้มันก็มีปัญหาว่าถ้ามองในแง่ของเรานะมองในแง่ของตัวผู้ที่มาทํางานทำแล้วที่อย่างนี้ มาพบกับอารมณ์ที่ทางพระท่านเรียกว่าไม่น่าชื่นชมก็เรียกเป็นภาษาพระว่าอนิจจาอารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่ากล่าวถนาคือคนเราธรรมดานี่เราก็ชอบอารมณ์ที่ดีอารมณ์ก็คือสิ่งที่เราได้พบปะเจอเจอได้เห็นได้ยินได้ฟังตลอดจนกระทั่งเป็นความรู้สึกนึกคิดเราได้ประสบอารมณ์ที่สบายตาสบายใจเราก็จะมีความสุขอันนี้เราก็ปรารถนาอย่างนั้นแล้วก็เป็น คนที่อยู่ในสังคมเหมือนกันนี่ไม่ใช่ใครมาพิเศษเนี่ยเราก็อยู่ในสังคมเราก็ต้องการพบอารมณ์อย่างนี้แต่นี้พอมาอยู่โรงพยาบาลเรากลับพบสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมอารมณ์ที่ไม่เป็นปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าฟังได้ยินแต่เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเห็นแต่ภาพคนเจ็บป่วยโอดโวยหน้าตาไม่ดีไม่สบายเท่านั้นเลยทีนี้พออย่างนี้แล้วมันเป็นธรรมดาของคนทั่วไปว่า พอรักอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเรามักจะมีความรู้สึกเป็นปฏิกิริยาตอบโตนะ้คือว่าอารมณ์เข้ามาเป็นส่วนที่ไม่แน่ไม่ถึงปัจจุบันไม่ถูกตาไม่ถูกหูไม่ถูกใจนยะท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นทุกขเวทนาพอเป็นทุกขเวทนานี่ก็เป็นธรรมดาว่าเราจะเกิดความรู้สึกตอบสนองคือความไม่ชอบใจนะความไม่ชอบใจก็ ไม่ชอบใจก็เปลียดชางลังเกียจเนี่ยไม่อยากพบเนี่ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจไม่เตรียมใจไว้เนี่ยนี Venus ่พูดถึงตามปรกต like ิธรรมด า, าก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ชวนใจให้เราพลอยไม่สบายด้วยเนี่ยอย่างง่ายๆตอนต้นนี่คือว่าพลอยไม่สบายใจด้วยแล้วก็เป็นอารมณ์ที่กระตุ้นในทางที่คงจะหันมาทางนี้คงเป็นที่หลำโพงไม่ใช่เป็นที่เครื่องครับ หันออกเลยหลพนก็อันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ทารมณเหมือนกันอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทางด้านโซตากุศะเนี่ยได้ยินแล้วก็ไม่สบายหูไม่สบายใจกันนงียบอย่างที่ว่าเลยพรทีนี้ตอารมณ์เหล่าเนี้ยเข้ามาก็ทําให้เราไม่สบายใจมันก็ชวนให้เราหงดหกินเหมือนกันนะเพราะฉะ้คนที่ทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนที่น่าเห็นใจอย่างยิ่ง ล้วไม่ใช่จะพ่อพบอารมณ์ที่ไม่สบายตาไม่สบายหูเท่านั้นน่ะตัวเองก็งานหนักนงานก็หนักเยอะแยะต้องอย่างถ้าที่เป็นพยาบาลเนี่ยเป็นคนคล้ายๆคนกลางอยู่ระหว่างฝ่ายโรงพยาบาลเช่นฝ่ายหมอกับฝ่ายคนไข้นะแล้วก็ทั้งอยู่ฝ่ายกลางระหว่างล่างกับบนอะไรเงี้ยแต่ถูกกระทบรอบด้านเลยมามองในแง่หนึ่งบางทีมันถูกกดถูกปิดด้วย ก็ยิ่งทําให้เกิดความกดดันในใจนงานก็เร่งร้อนคนนั้นก็จะเรียกร้องคนนั้นก็จะเอาอย่างงั้นอย่างนี้เนะี่ยแล้วก็คนไข้ามาใจเขาก็ไม่ดีเขาก็เรียกร้องมากเขาจะเอาตามใจของเขาก็รู้สึกว่าทำไมมันเป็นอารมณ์ที่อืมมันแทบจะสุดแสนทนทานเนะลยอางทีเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาถ้าเราจะไปเห็นว่าทราบว่าท่านที่เป็นบุคลากรเช่นพยาบาลเนี่ยจะต้องมีหน้าตาไม่สบายบ้างนี่ ถ้ามองในแง่หนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้เห็นใจนะเพราะว่ากระทบอารมณ์ที่มันทุกข์ทิศเลยรอบตัวพรนะธารมนึกก็เห็นว่าน่าเห็นใจนะแต่อย่างไรตั้งแตามมันก็เกิดเป็นหน้าที่เราก็เลยมานึกกันว่าเอาละเพราะว่าเห็นว่าปล่อยไปตามเรื่องตำราวมันก็เป็นอย่างเงี้มันก็น่าเห็นใจอยู่แต่ว่าทีนี้ทําไงเราก็จะมีหน้าที่แล้วจะทำไงให้ดีที่สุดนะเราก็มาหาทางกันว่า เราจะทํางานให้ได้ผลที่สุดเนะี่ยอันหนึ่งก็คือว่าให้งานขางเราเป็นไปได้ดีให้ได้ผลผลนั้นก็เกิดแก่การรักษาพยาบาลซึ่งการรักษาพยาบาลก็ได้กล่าวแล้วว่าจุดเป้านั้นอยู่ที่คนไข้แต่ไมก็จะให้คนไข้หรืเขาได้รับผลการรักษาพยาบาลดังอย่างน้อยก็ด้านแรกก็คือร่านเจ็บป่วยร่านกายเขาแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้คือว่าเขาป่วยทางใจด้วยเพราะฉะนั้นก็ทาํทาไงทําไงจะให้ได้ผลทาง การรักษาทางจิตใจด้วยใช้ไ ด, ได้ทั้งสองอย่างอย่างน้อยถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าการรักษาพยาบาลนี่ต้องทั้งสองด้าน <c oughs> ขอไ่าทั้งทางกายและทางใจเนี่ยใจเราจะมีให้การเตรียมตัวที่ดีขึ้นพอเราเตรียมใจของเราให้รับทั้งสองด้านเนี่ยการทำงานของเราจะดีขึ้น ท, ทันทีเป็นอัตโนมัติแต่แค่นี้ก็ไม่พอ มันจะต้องมีการทําใจนะทําใจอย่างไรสิ่งจะได้ผลในก่อนที่จะทําใจเนะี่ยถ้าบางท่านมีทุนดีอยู่แล้วนี่มันช่วยได้มากจะมีการที่ว่าได้เปลี่ยนทุนอะไรทุนก็คือความรักวิชาชีพนะความรักงานไม่ใช่รักวิชาชีพอย่างเดียวคือรักวิชาชีพ <c oughs> มันมองกว้างเกินไปรักงานของตน รักงานแพทย์รักงานพยาบาลรักงานรักษาเ น, นี่ยการที่ว่ารักงานรักษาคนไข้ก็คือรักงานช่วยค น, น, นคืออยากจะช่วยคนให้เขาเนี่ยหายโรคนะถ้ามีความรู้สึกนี้เป็นทุนอยู่แต่เดิมนี่อันนี้จะช่วยได้เต็มที่เลยนะฮะมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวแล้วก็มันเป็นภูมิคุ้มกันนะที่จะช่วย ให้กระทบประสบอารมณ์ต่างๆก็หวั่นไหวยากขึ้นแต่ว่าอันนี้บางทีก็เป็นเรื่องที่ว่ายากเพราะว่ามันต้องเกิดมาได้มากมีประจุเดิมอย่างคนที่บางคนมารับอาชีพนี้ก็เพราะรักงานแบบนี้นะอยากจะทํางานอย่างนี้เห็นคนแล้วอยากจะช่วยใช่ว่าตั้งแต่นานมาแล้วตั้งแต่ยังไม่มาเรียนยังไม่มาทํางานนี้ก็ชอบอยากจะมาช่วยคนช่รักษาคนให้หายโรคอะไรต่างเห็นคนไข้แล้วก็ อยากจะเข้าไปแก้ไขช่วยเหลือถ้าใจิตใจแบบนี้มีอยู่เขาเรียกว่ารักงานรักอาชีพโดยตรงโด ย, โดยสภาพใจิตใจเดี๋อันนี้เป็นทุนที่ดีท <c oughs> างพระเขาเรียกว่ามีฉันทะถ้าหากว่ามีอันนี้อยู่แล้วก็เท่ากับว่ามีทุนดีทีนี้เอาละหนึ่งก็ทุนทีนี้สองก็จะมีทุนหรือไม่มีทุนก็ตาม <c oughs> ก็มาถึงตอนที่ว่ามาทําใจในสถานการณ์ว่าจะทํำยังไงจะทําให้งานนี้ได้ผล <c oughs> มัรนอกจากงานได้ผลที่ว่าผลต่อคนไข้ที่ว่าได้ผลทั้งทางกายทางใจและก็ผลต่อกิจการของโรงพยาบาลเป็นต้นก็คือจิตใจของตัวเองก็เป็นสุขด้วยนะคือว่าให้งานก็ได้ผลแล้วตัวคนก็เป็นสุขนะอย่างน้อยก็มีทุกน้อยเนี่ยนะนะจะทําไงดีก็เรื่องต้องการทําใจก็มีวิธีการหลายอย่างอาตมาก็จะพูดถึงประสบการณ์ของบางคน บางคนนี่เขาจะทำใจให้สนุกคือนึกเป็นสนุกไปหมดเพราะว่ามองเห็นคนไข้มางานอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นรูปแบบต่างๆเห็นคนหน้าบึ้งหน้างอหน้าอะไรต่างๆได้ตามใจบ้างไหมตามใจบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเห็นแล้วนึกเป็นสนุกไปหมดบางคนเขาตามใจได้นะทำใจไปนสนุกหมดได้เห็นคนแปลกๆนะี่ย นึกถึงอาตมานึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเมื่อสมัยสามสิบกว่าปีมาแล้วหรือสี่สิบปีมาแล้วก็ไม่ทราบสามสิบกว่าปีประมาณนตก็เรียนอยู่ที่ตึกที่อยู่ข้างท่าปาะจันย์ท่าประจันท์นี้เป็นถิศที่คนเดินมากนะท่านผู้นี้ก็เมื่อเวลาว่างจากเรียนก็มองไปทางท่าปาะจันท์ก็เป็นธรรมดาแหละเพราะเป็นถิ่นที่คนเดินก็ย่อมหันไปมองพอมองไปก็เห็นคนเดินไปผ่านมาผ่านไปผ่านมา ใช่ก็นั่งหัวเราะก็บอกเอ๊ะทำไมนั่งหัวเราะบอกว่าคนที่เดินไปเนี่ยมันต่างๆกันท่าทางคนนั้นเดินอย่างนั้นคนนี้เดินอย่างนี้คนนั้นแต่งตัวอย่างนั้นคนนี้นแต่งตัวอย่างนี้พอเห็นแล้วก็ขํำเหมือนกันนะก็นั่งหัวเราะเนีย่ยท่านพวกนี้เรียนเก่งด้นะเรียนได้คะแนน ด, ดีไปเกียรติยศเนี่ย เ, เห็นคนเดินไปเดินมาก็นั่งหัวเราะเนีย่ยนี่คนบางคนเนี่ยเห็นอารมณ์ที่ผ่านไปในชีวิต จะดีหรือร้ายเนี่ยมองเป็นสนุกหมดนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รับไม่เก็บนะไม่เก็บอารมณ์ไม่เก็บอารมณ์หมายความว่าเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับงานของตัวอะไรที่มันเข้ากับเรื่องเข้ากับความมุ่งหมายเข้ากับตัวงานเราก็รับเราก็ทําแต่อะไรที่ไม่เข้ากับเรื่องของตัวงานไม่รับไม่เก็บนะผ่านหมดนะก็มองเห็นเป็นสนุกไปหมดคนไข้จะมีอาการยังไงคนเยี่ยมไข้จะมีอาการยังไงมองเป็นสนุกไปนะ เพราะว่าคนเราก็เป็นธรรมดาเงี้ยมันก็ต้องมีอาการต่างๆการมนุษย์หลากหลายเนี่ยเนี่ยเราได้เห็นความจริงหนะึ่งเราเกิดมาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีต่างๆกันนาจิตตังสารพัดมีภูมิหลังไม่เหมือนกันเราก็ได้ไปเห็นความจริงนั่นเองอะคนไข้แล้วก็คนมาเยี่ยมญาติคนไข้เนี่ยเป็นต่างๆกันไม่มีเหมือนกันเลยแลเราเห็นเราไม่ได้มองไปเจาะที่แต่ละบุคคลคือเวลาเราจะเกิดอารมณ์ไม่ดีเนี่ยกระทบเนี่ยมักจะมองไปที่จุดเฉพาะ ที่กายกระทำอันนี้ก็คนนี้ใช่ไหมนี่ถ้าเรามองกว้างกว้างว่าอันนี้เป็นกายกระทำอันหนึ่งในบรรดาการกระทำก็คนมากมายแล้วคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาคนเยอะแยะที่เราประสบประจำวันผ่านไปผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยแล้วเรามองอันเนี้ยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราประสบในแต่ละวันเราจะเห็นว่าโอ้เนี่ยนี่คือความจริงที่เราได้พบแล้วว่าคนทั้งหลายมันต่างกันมากมายอย่างเนี้ยน่าอารมณ์ก็ผ่านไปเหมือนกับคลื่นไหลไหล เราเห็นกระแสน้ำ<ม>เห็นอะไรต่างๆที่มันผ่านเราเดินไปนะอะไรเนี่ยอย่างนี้เราก็ไม่มีปัญหาเนยเห็นเป็นกระแสคลื่นผ่านไปใจเราก็ไม่รับไม่เก็บเข้ามาก็มองเป็นสนุกไปนี่ก็เป็นแบบนี้เนี่นี่ก็ได้ผลเหมือนกันนะเรียบร้อยาทีนี้แบบที่สองแบบที่สองคือพวกชอบเรียนรู้เนี่พวกเรียนรู้ก็คือว่ามองอะไระอะไรเป็นการได้เรียนรู้คือเรามีชีวิตอยู่นี่ เรามีหูมีตามีจมูกมีอะไรต่างๆเนี่ยสาหรับรับความรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายแล้วเราได้ได้เห็นได้ยินต่างๆเนี่ยเราได้เรียนรู้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเราได้เรียนรู้เราก็มีประสบการณ์มากได้เห็นความเป็นไปเก็บเป็นความรู้ไว้เราก็เก็บในแง่เป็นความรู้เท่านั้นผู้ที่มองในแง่เป็นการเรียนรู้นี่ต่างกับพวกที่หนึ่งอย่างพวกที่หนึ่งนั้นไม่เก็บอะไรเลย นะปล่อยผ่านหมดแต่พวกที่สองนี่เก็บแต่เก็บในแง่เป็นความรู้นะแต่ไม่เก็บในแง่เป็นเรื่องของสิ่งกระทบกระทั่งจิตใจเก็บเป็นความรู้อย่างเดียวไม่เก็บเป็นอารมณ์แบบที่เรียกว่าเป็นเวทนาสำหรับให้เกิดอารมณ์ปรุงแต่งคือไม่มีการคิดปรุงแต่งต่อมีแต่การเรียนรู้อย่างเดียวเรียนรู้ไอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราได้เรียนรู้คนหลากหลายเป็นความรู้ทั้งนั้นเลยการที่เราได้รู้จักผู้คนมากมายเนี่ย คนที่มีลักษณะแตกต่างกันแบบนี้แล้วต่อไปเราสังเกตเห็นว่าคนที่มาจะคืนเพล์อย่างนี้มักจะมีอาการอย่างนี้คนที่มาจากอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนี้มีการมี ส, าสภาพจิตใจอย่างนั้นอย่างนี้เราได้เรียนรู้ผู้ที่หนึ่งนี้ได้ดีกว่าผู้ที่สองผู้ที่สองผ่านเฉยๆไม่รับอะไรไม่เก็บอะไรเลยปล่อยผ่านปล่อยผ่านแต่เขาก็ไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์มากเท่าทควรแต่ผู้ที่สองนี้ได้ประโยชน์คือว่าศึกษาไปด้วยศึกษาชีวิตมนุษย์ แล้วก็ได้ความสังเกตสังกาซึ่งไปเป็นประโยชน์กับงานของตนเองด้วยในพวกนี้เรียกว่าผู้เรียนรู้ถ้าหากว่าใช้หลักของพระท่านเรียกว่ามีสติปัฏฐานพอสมควรสติปัฏฐานเป็นยังไงคือว่าเรารับรู้โดยมีสติมีสตินี่ท่านบอกว่าสติจะมาพร้อมกับสัมปชัญญะเนี่ยสติไม่ได้มาลอยลอยสัมปชัญญะก็คือความรู้สติ ม, นญญ ม, มันจะรับข้อมูลอ่าแล้วก็ส่งต่อให้ปัญญา ปัญญาที่ทำหน้าที่เฉพาะหน้าเขาเรียกว่าสัมปชัญญะรู้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรนี่เราก็เรียนรู้ว่าเออคนน sí, like ี้เป็นอย่างนี้เข้ามาในพื้นเพย่์งี้มีอาการอย่างงี้นะเราก็เรียนรู้ way, เรียนรู้เขามีอาการในเรียนรู้หมดนะถ้าบอกว่ายานมัตตายะสติมัตตายะรับรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้และเก็บเป็นข้อมูลสําหรับไว้ระลึกใช่ว่างั้นนะญานมัตตายะไว้เป็นความรู้เท่านั้นแลสติมัตตายะสําหรับเป็นข้อมูลไว้ระลึกใช้ประโยชน์เอาแค่นี้นะ ไม่มีเรื่องการกลุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจนี่อย่างนี้ก็ได้ผลได้ประโยชน์เรียกว่าได้เจอประสบการณ์ต่างๆแบบเรียนรู้หมดนะีเรียนรู้เราเรียนรู้เขาเป็นยังไงไงเราเอาเป็นอย่างนี้ไปไม่มีตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องนะนี่วิธีที่สองนะีอ้าทีนี้ต่อไปวิธีที่สามทำใจนี่คนมีวิธีทําใจต่างๆนะแต่ละคนทําคนละแบบจะได้ผลเท่านั้น อีกคนหนึ่งก็ถือเป็นบททดสอบเราอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องประสบอารมณ์ต่างๆแล้วเราอาจจะมีอุดมคติอุดมการ์ของเราหรือยึดมั่นในความดีอะไรบางอย่างแม้แต่ว่าเราทําอาชีพนี้การงานนี้เราก็ต้องมีอุดมคติอุดมการณ์ของอาชีพทีนี้อุดมคติอุดมการอะไรต่างๆของงานของอาชีพไปตามแล้วเรายึดถือไว้ไอ้สิ่งที่เข้ามากระทบเหล่าเนี่ยถ้าเรา เกิดเป็นปัญหาขึ้นกับตัวแล้วเราทําผิดพลาดนั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถดํารงอยู่ในอุดมคติอุดมการของเราและสิ่งที่เข้ามานี่ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่จบอารมณ์มันก็เป็นตัวที่จะทําให้เราพลาดจากหลักการของเราในหลักการอารมณ์อารดวงคตินี่เรายึดถือไว้สิ่งเหล่านี้ที่เข้ามากระทบนี่เราจะพลาดทําให้เราหล่นออกไปจากหลักการไหม เ้ากัว่ามันเป็นบททดสอบเพราะฉะนั้นเรามองสิ่งที่เข้ามานี่เป็นบททดสอบหมดถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เรียนธรรมะพัฒนาตนเราก็พยายามทําความดีใช่ไหมเราก็จะมีเช่นขันติมีความอดทนหรือมีเมตตามีอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณธรรมต่างๆเหล่าเนี้ยเราเราก็เรียนแล้วเราก็พยายามยึดถือปฏิบัติเสร็จแล้วสิ่งที่จะเข้ามานี่คือบททดสอบเท้านั้นเลยบททดสอบว่าเราจะผ่านไหมสอบได้ไหมนะ นี่ท่านที่ตั้งใจแบบนี้มองไปบททดสอบหมเมื่อมันเป็นบททดสอบเข้ามาเราก็ต้องพยายามทำข้อสอบให้ผ่านใช่ไหมเพราะนั้นเราจะมีความเข้มแข็งเราจะสู้ได้เพอะบอกว่าบททดสอบมาแล้วใช่ไหมพอเจออารมณ์ไม่ดีการกระทําอาการแสดงออกคําพูดที่ไม่ดีเข้ามาปับ๊บเราบอกบททดสอบมาเลยพอตั้งสติอันนี้คือสติเกิดขึ้นพระบอกบททดสอบเกิดแล้วนันี่คือสติมาพอบอกอย่างนี้ปับ๊บเรายังตูวได้เลย เราจะเริ่มทางท่า ท, าทีที่ถูกต้องเราจะไม่พลาดเพราะฉะนั้นคนที่ประเภทนี้จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันยั่วย้าวเราให้เราพลาดเนี่ยเป็นบททดสอบหมดนยพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันเป็นบททดสอบมองเป็นบททดสอบไปอา้าวทีนี้ต่อไปอีกเอชักเยอะเลยหรอเลนี่อีกวิธีหนึ่งก็คล้ายๆกัน มนุษย์เหล่านี้ต้องพัฒนาตรงเพราะพุทธเจ้าท่านถือว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นและเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเรามักจะพูดกันว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ทางพุทธศาสนาไม่ได้ยอมรับอย่างนั้นนะต้องมีเงื่อนไขคือพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึก <c oughs> คือไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆจะประเสริฐนะ ถ้าไม่ฝึกแล้วไม่เสรศดเลยะฉะนั้นตัวฝึกเนี่เป็นตัวที่ทําให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ดีเลิศได้แล้วการฝึกก็คือการศึกษาการพัฒนานี่ยเองเราเรียกว่าพัฒนาก็คือฝึกฝึกฝนปรับปรุงตนให้ดีให้งามยิ่งขึ้นทันี้มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่แปลกจากสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เราเห็นได้ง่ายๆลองเทียบกันสัตว์ชนนั้นอื่นที่เราเห็นเนี่ย มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยมากจะอยู่ในสัญชาตญาณแล้วถ้าในแง่สัญชาตญาณแล้วมันเก่งกับมันรู้พอเกิดมาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมักจะช่วยตัวเองได้ทันทีหลายอย่างพอออกจากท้องแม่ก็เดินได้เลยเริ่มแทบหาอาหารได้เลยว่ายน้ําได้เลยเนยยกตัวอย่างง่ายๆอาตมาเห็นกับตาก็คือห่านนห่านออกจากไข่วันนั้นพออีกไม่กี่ชั่วโมง แม่ก็ลงสระน้ำมันก็วิ่งตามลงสระน้ํามันวิ่งได้เลย เ, เนี่ยออกจะไข่วันนั้น <c oughs> แล้วแม่มันลงว่ายน้ํามันก็ว่ายน้ําได้เลยเหมือนกันแล้วแม่มันไปหากินจิกอะไรมันก็จิกด้วยเลยแสดงว่าวันนั้นเองที่มันเกิดมันก็รู้จักช่วยตัวเองได้เนี่ยสัตว์ทั้งหลายอื่นจนํานวนมากก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็โดยสัญชาตญาณและสัตว์ทั้งหลายนี้มีความเก่งพอสมควร แต่มนุษย์นี้ไม่มีความสามารถอันนี้เกิดจากท้องแม่วันนั้นถ้าไม่มีใครช่วยตายแน่นอนใช่ไอย่าว่าแต่วันนั้นเลยให้อยู่ถึงปีอีกยู่ถึงปียังช่วยตัวเองไม่ได้เลยหากินก็ไม่ได้ทำอะไรช่วยตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยโดยสัญชาตญาณและมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่แย่ที่สุดแต่ว่ามนุษย์วีดีตรงฝึกได้ นับแต่เกิดมานี่มนุษย์ได้รับการฝึกสอนเท่านั้นถ่ายทอดความรู้ความคิดสิ่งที่สรางสมบุกสมบรณมากับเป็นพันปีหมื่นปีล้านปีแม่สามารถมาถ่ายทอดกันในเวลาไม่นานลและมนุษย์นี้ก็เรียนรู้เก่งก็สามารถทําได้เลยเพราะฉะนั้น <c oughs> มนุษย์นี้ฝึกแล้วประเสริฐเลิก่กว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครจะเก่งเท่ามนุษย์พอด้วยการฝึก <c oughs> พอมีการฝึกขึข้นมาแล้วมนุษย์เก่งที่สุด แล้มนุษย์ได้ฝึกตัวได้สัตว์ทั้งหลายนี้อยู่ได้แค่สัญชาตญาณฝึกตัวเองไม่ได้เลยทีนี้บางชนิดฝึกได้บ้างก็คือมนุษย์ไปจับมาฝึกเนี่ยแล้วเมื่อมนุษย์ฝึกให้สัตว์นั้นจึงดีขึ้นบ้างใช่ไหมเช่นเป็นช้างก็มาลากซุงได้มาเล่นละครสัตว์ได้ลิงก็ขึ้นต้นบนพ้าวได้สัตว์ทั้งหลายหลายอย่างเนี่ยดีขึ้นมาเพราะมนุษย์ฝึกให้แต่ฝึกตัวเองไม่ได้ทีนี้แม้มนุษย์จะฝึกให้ก็มีขอบเขต ของการฝึกฝึกเกินกว่านั้นก็ไปไม่รอดนะต่างจากมนุษย์มนุษย์นี่ฝึกตัวเองได้ไม่ต้องหาใครมาฝึกแล้วฝึกได้อย่างแทบจะไม่มีขีดจำกัดเลยฝนะึกได้เป็นมหาบุรุษเป็นพระพุทธเจ้าได้ในพระพุทธเจ้านี่ที่ให้ถือเป็นสระนาในเพราะเป็นตัวอย่างเขาบุคคลที่ฝึกตน น, นนั่นเองว่ามนุษย์เราเนี่ยให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถฝึก พัฒนาตนได้ขนาดนี้ชนนะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นี่ย <Yeah. S 1> จกระทั่งไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเลยก็ทําได้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> น, นั่นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้เกินปัญญาค้นพบจัดจะทำความจริงอะไรจะอะไรทำได้หมดท่า <Yeah. S 1> นาจารย์พระพุทธเจ้าจัดบอกว่าบ ร, รมสัตต ร, รรทำตาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายบัวควายช้างมาอะไรต่างๆเหล่านี้ฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ แต่ถึงกระ น, นั้นก็ยังไม่เทียมท่ามนุษย์มนุษย์ฝึกแล้วนี่ประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีสักว์ใดเทียมได้เนี่จนกระทั่งท่านบอกว่าฝึกไปฝึกมาพัฒนาตนเจกนกระทั่งเทวดาและพระพรหมน้อมนมัสการเนีอ่อฝึกไปฝึกมาพัฒนาไปพัฒนามานี่ พ, พระพรหมที่มนุษย์ไปเขาร่มเนะ่ย พ, พระพรหมกลับมาบูชามนุษย์นะีพระพรหมและเทวดาเนี่ยต้องมาไหว้มนุษย์นะถ้ามนุษย์ฝึกตนดีอัะนั้พระพุทธเจ้าจริง สอนเรื่องนี้มากให้มนุษย์นีิตระหนักในสัมพิยาภาคของตนในการที่ฝึกฝนพัฒนาแต่รวมแล้วก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้ในการฝึกต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองเราฝึกแล้วไม่มีขีดขั้นเลยเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วมองตัวเองอย่างนี้ก่อนในนี้การอยู่ในสังคมการทํางานอาชีพต่างๆนี้เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนท่านั้นโดยเฉพาะ ก, ก, การงานอาชีพนี้การงานของเรานี่เป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราถ้าเราจะฝึกตน ให้ได้มากเราต้องฝึกกับงานของเราสิเพราะว่างานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราเราจะไปฝึกกับเรื่องอื่นมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกนวะโอกาสมันน้อยก็งานนี่ครองชีวิตส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่ของเราอยู่กับงานแล้วเพราะฉะนั้นเราจะฝึกฝนพัฒนาตนเราก็เอางานนี่แหละมาเป็นเครื่องมือฝึกตนนั้นเราก็มองงานของเรานี่เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนหมดทีนี้เราก็อะไรเข้ามาในวงงานฉันถือเป็นเรื่องฝึกตนพัฒนาตนทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้น เ, เรามองอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาที่เรามองเป็นเครื่องฝึกฝึกกายฝึกใจฝึกอาชีพฝึกความชำนิชํานาญในงานของเราทําไงให้เราเก่งขึ้น เ, เราสามารถทนต่ออารมณ์ได้ดีขึ้นเราสามารถแก้ไขปัญหาจิตใจของเราได้ดีขึ้น<ม>คราวนี้เราแพ้เรามามองในแง่ปรับปรุงว่าเรายิ่งเราหย่อนตรงไหนสหํารวจตัวเองเราเคราวนี้บกพร่องตรงนั้นเ อ, อเดี๋ยวเราจะแก้และปรับปรุงต่อไปคราวนี้สนุกกับการพัฒนาเองเพราะนั้นนี่ก็เป็นการสนุกอีกแบบ สนุกแบบนี้สนุกได้ผลได้ประโยชน์สนุกแบบคนมีปัญญาคือสนุกแบบที่หนึ่งนั่นสนุกแบบว่าไม่เก็บอารมณ์ปล่อยผ่านมองไปสนุกไปหมดแต่เราไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้อะไรนี่แบบที่อันนี้รู้จะแบบที่สี่ที่ห้าอะไแล้วจิตสมา จ, จําไม่ได้น ะ, ะ, นะแบบที่ห้าแบบพัฒนาตนเนี่ยเลยพอนี่เป็นแบบที่เรียกว่าสนุกด้วยแล้วเราได้เรารู้สึกว่าเราชื่นใจมีปิติอิ่มใจที่เราพัฒนาเราได้ด้วยเลย เราเจออะไรเราได้แก้ปัญหาเราได้ปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยๆมองในแง่นี้แล้วเราจะมีความเพลิดเพลินมีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขกับงานเพราะนั้นให้ท่านใช้ความรู้สึกอย่างนี้คือมองเป็นว่าเราจะพัฒนาตนและงานนี้เป็นเครื่องมืออันประเสริฐดีที่สุดในการพัฒนาชีวิตของเรานะเอาละอันนี้ก็เป็นวิธีที่หา้านะต่อไปอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งวิธีของพระโพธิสัตว์ พระโพิสัตวนี้มีลักษณะอย่างไรพระโพธิสัตว์นี้ท่านมีความมุ่งหมายโพธิญาณแต่เอาละเราไม่ต้องพูดถึงโพธิญาณคือเอาความว่ามีเป้าหมายสูงสุดที่ดียอดเยี่ยมอันหนึ่งที่เราจะไปให้ถึงนะเพื่อเป้าหมายอันนั้นเนี่ยท่านตั้งกณิทา น, านว่าท่านจะต้องทําให้สําเร็จยอมสละได้แม้กับทั่งชีวิตนะลองคิดดูสละได้แม้แต่ชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ดีงามนั้น เพระนั้นพระโพ ธ, ธิสัตท์พอได้เริ่มปฏิตั้งปณิธานแล้วนะปณิธานเนี่ยแล้วจะทําความดีอย่างเต็มที่แม้จะต้องสละชีวิตก็ยอมเนีเพราะฉะนั้นท่านก็จะช่วยเหลือสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเนีคนอื่นเป็นยังไงท่านก็สละชีวิตไปช่วยเหลือได้แล้วก็ถูกกลั่นแก้งยังไงท่านก็ไม่ละทิ้งความดีอันนั้นเนีอันนี้ ชาวพูดที่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยไปถึงพระโพธิสัตว์ด้วยเราเรียนคติโพธิสัตว์เพื่ออะไรก็เพื่อมาเป็นแบบอย่างสำหรับเตือนใจเราให้เราเนี่ยเพียรพยายามพัฒนาตนฝึกตนทำความดีให้ได้อย่างท่านแล้วมีกำลังใจไม่ท้อไม่ถอยพอเราทำความดีวิสัยปุถุชนเนี่ยเราเริ่มท้อแท้ว่าเราทำความดีไม่เห็นได้รับผลดีไม่มีใครชื่นชมหรือบางทีถูกกลัน่นแกล้งอะไรอีก เราเริ่มท้อถอยว่าทำไมทําดีไม่ได้ดีแต่พอเรานึกถึงพระโพธิสัตว์เน่ยถ้าจะเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ไว้เยอะแยะเลยให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยทําความดีอย่างไรมั่นคงในความดีขนาดไหนในชาตินั้นถูกคนนี้แกล้งเขาเอาไปฆ่าอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์ก็ไม่เคยยอดท้อในการทําความดีนิชามพุทธเนี่ยพอได้ฟังเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยก็จะเกิดความฮึดสู้ขึ้นมา เกิดกำลังใจแข็งขันที่เราจะท้อในความดีท้อถอยไม่ท้อนคะั้นี้นะ ม, มีพระโอทิว์เป็นตัวอย่างเกิดกำลังใจฮึกเห่าในการทําความดีต่อไปเพราะฉะนั้นที่เราเล่าเรื่องพระโพธิสตัตว์่ยเพื่อความมุ่งหมายอันนี้เราจะได้มีกําลังใจเข้มแข็งกล้าหาญทำความดีเสียสละได้เต็มที่ไม่ยอมท้อแท้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําความดีเป็นพระโพธิศาหนึ่งเราก็นึกถึงพระโพธิสตัตว์ว่าท่านทาความดี ท่านถูกแก้งกว่าเราถ้านลาบากกว่าเราท่านยังทําได้ทําไมเราจะมายอมแพ้แคนนี่หนึ่งละแล้วสองทำไมเราไม่ตั้งปณิธานแบบก็ภูดิศรเราตั้งปณิธานแน่วแน่เลยว่าเราจะทําความดีอันนี้ให้สําเร็จนะเราอาจจะตั้งแบบเป้าใหญ่ก็ได้หรืออาจจะตั้งเป้าเป็นเฉพาะการแต่และปีเพื่อการพัฒนาตนของเราไปสัมพันธ์กับข้อที่ห้าปณิธานนี้อาจจะตั้งเป็นจุดๆเป็นความดีแต่และอย่างก็ได้ปีนี้เราลองตั้งในข้อนี้ เราพิจารณาประตูเราแล้วว่าไอความดีอันนี้เราน่าจะทําไปพิเศษสำหรับปีเนี้เราขอตั้งเป็นปณิธานเลยว่าปีเนี้เราจะทําความดีอันนี้ให้ได้สมบูรณ์เต็มที่ที่สุดเราพอตั้งปณิธานอย่างนี้นะใจมันจะเกิดกําลังคือเหมือนกับคนที่เริ่มเดินเครื่องพอเริ่มต้นที่เรียกว่าสตาร์ทเนี่ยถ้ามีกําลังแรงมันจะไปได้ดีถ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอ่อนล้าจนแล้เนี่ยมันหมดแรงตั้งแต่ต้ตตน นะถ้าเรา่มต้นดีแล้วเนี่ยก็สําเร็จครึ่งหนึ่งอะไรทำนอง น, นี้นั้นเราก็ต้องทําใจให้เข้มแข็งนีตั้งปณิธานเพราะตั้งปณิธานแล้วทีนี้เราจะมีกําลังเข้มแข็งทีนี้เราจะไม่ยอดพอเจออารมณ์ที่มากระทบกระแทกอะไรต่างๆมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดเล ย, เ, ยเราจะมีความเข้มแข็งเพราะพลังเรามันมากมายมหาศาลอยู่แล้วในตัวนี่มันจะพาตัวนี้ผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งที่มากระทบกระทกาีบคั้นไประดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของพระโพธิสัตว์ ถ้าใครตั้งได้ถึงขาง้นระโพธิสัตว์เรียกว่าชนะหมดนะเพราะพระโพธิสัตว์ไม่เคยแพ้เลยเรื่องการทําความดีดังนั้นถูกลถกล่นถูกแกล้งทำความดีแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่หวังอะไรต่างๆไม่มีปัญหาทั้งนั้นนะแต่คำถามไม่สาเร็จเพราะว่าไอ้ตัวสิ่งที่ว่ามาแล้วทั้งหมดมาใช้ได้ในคติโพธิสัตว์หมดเช่นว่าถือเป็นบททดสอบอบางอย่างเข้าวาก็เหมือนบททดสอบเรา เราจะเข้มแข็งพอไหมที่จะสู้สิ่งเหล่านี้จะบรรลุจุดหมายของเราได้หรือเปล่าบททดสอบแค่นี้มายังไม่ผ่านแล้วจะไปถึงจุดหมายได้ยังไงเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องสู้นี้ถ้าเราตั้งปณิธานแบบพระโพธิสัตว์แล้วเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยนี้เราจะสู้ไหมเนะีก็เอาอันนี้คติพระโพธิสัตว์นี่สําเร็จแน่นะีตั้งปณิธานเลยก็จะทําความดีให้บรรลุจุดหมายอย่างนั้นอย่างนั้นอ่าแล้วก็พยายามทําให้สําเร็จนี่เป็นแบบพระโพธิสัตว์ ทีนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งแบบพระอรหันนัแบบพระอาหา ร, บบระอาหันนี่คือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ก็คือหมายความว่าผู้ที่ว่าไม่มีอะไรที่ต้องทำเพื่อตอนเองอีกพระอาหารหันมีลักษณะอย่างไรคือแปลกจากพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่ยังมีปณิธานคือมีตามตั้งเป้ามหมายว่าตนเนี่ยเราจะบรรลุ จ, จุดหมายที่ดีงามสูงสุดอันนั้นถ้ามองละเอียดแล้วก็เหมือนกับว่ายังมีอะไรทำเพื่อตอนเองแต่เป็นจุดหมายที่ดีที่สุดเพื่อตอนเองนะฮะ แล้วเราก็มั่นคงในปณิธานเหล่นั้นเราทําเพื่อจุดหมายทีนี้พระอรหันต์ไม่ตรงข้ามพระพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์นี่แหละเป็นผู้นําของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นผู้บรรลุจุดหมายแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองตรงข้ามเลยเพราะพระโพธิสัตว์นี่พอไปบรรลุจุดหมายแล้วก็ับเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว ทีนี้พอไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองอีกก็เป็นบุคคลที่สมบูรณ์เช่นมีความสุขอยู่ในตัวพร้อมตลอดเวลาคือยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นยอดของคนที่ยังอยู่ด้วยความหวังใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าพระอราหันต์นี่เป็นคนที่ไม่ต้องหวังแล้วนไม่อยู่ด้วยความหวังอีกต่อไปเพราะทุกสิ่งสมบูรณ์อยู่ในตัวมีจิตใจที่สมบูรณ์มีความสุขที่สมบูรณ์มีความสุขอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่มากระทบกระเทือน คือไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกก็ไม่มีตัวที่จะรับอะไรทั้งสิน้นเะนียเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําก็ทําไปตามสิ่งที่ได้พิจารณาเห็นด้ปัญญาว่าสิ่งนี้ดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์นะก็ได้กรุณาที่เห็นว่าผู้อื่นยังมีความทุกข์มีปัญหาแล้วต้องตัวแจ้แก้ไขก็เราทาเพื่อเขานี่เราไม่ได้ทําเพื่อเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปคานึงอะไรล่ะมันเกิดอารมณ์กระทบกระแทกนี่เราไม่ได้ทําเพื่อเราเราทําเพื่อเขาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะต้องมารับกระทบนะ คือหมดหมดเรื่องตัวตนแล้วพระอาหารหันต์ไม่มีตัวตนรับกระทบอะไรทั้งสิ้นเนีตกลงว่าถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกนั้นเรื่องอะไรต่อะไรมันไม่มีมากระทบตัวมองจเพียว่านี่เราทำเพื่อเขาเราก็ทำเพื่อเขาไปกันเลยกันมีอะไรล่ะอันนี้มันส่วนที่เขาบกพรองมล้วก็มองไปสิเขาอาจจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ น, นี่เขาแสดงออกมันอย่างนี้มันไม่ดีเนี่ยมันเป็นปัญห า, ข, า ข, อของทั้งนั้นใช่หรือเปล่าเรื่องนี้ เวลาเขามีอารมณ์ไม่ดีพ som ูดไม่ดีเนี่ยที่จริงเป็นปัญหาของเขาใช่ไหมเหตุมันอยู่ที่เขาใจเขาไม่ดีอ่าเหตุปัจจัยอันนั้นเราจะมายุ่งอะไรกับตัวเราเราก็มองสิ่งที่เรามีปัญญามากเราก็ยิ่งเห็นเหตุปัจจัยในใจเขาว่าไอ้นรื่เขาเกิดอารมณ์ไม่ดีมีความกลัวมีความวาดหุญกิจเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ได้ยิ่งช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้มากใหญ่เลยครั้นี้ยิ่งไม่มีปัญหาเลยตัวเองก็ไม่มีปัญหาด้วยยิ่งช่วยคนไข้ได้มากขึ้นนะ เพราะอะไรเพราะมันมองไปเห็นแต่เรื่องของเขาเหตุปัจจัยอะไรมันเกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างที่เข้ามาเป็นเหตุปัจจัยแล้วจะมองไปหมดดัง น, นั้นก็สบายใจเลยท่านผู้นี้นะถ้าทําได้อย่างนี้เรียกว่าปฏิปทาแบบพระหรหันพระาราหันคือบุคคลที่ไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็ทําเพื่อผู้อื่นเนี่ยตอนนี้เราทํางานพวกเรานี่เป็นงานเพื่อผู้อื่นเราก็มองดูเหตุปัจจัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่มี อารมณ์ขึ้นมากระทบถ้าเรามองแต่ตามความเป็นจริงนะมันมีจัตุระบวนการมาเหตุปัจจัยเท่านั้นเองอันนี้ก็เอาแล้วอาตมาก็พูดถึงระดับของการมองสิ่งต่างๆหลายแบบนะทีนี้เอามามองดูเครื่องช่วยบ้านสิ่งที่จะมาช่วยในกระบวนการที่เราปฏิบัติงานเหล่าเนี้นะอาตมาพูดแปอันแรกที่สุดก็คือความรักงานฉันทะความพอใจในงานซึ่งอาจจะเกิดจากการเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ ว่าเราเห็นว่าเออเรารักเพื่อนมนุษย์เราอยากให้เพื่อนมนุษย์มีชีวิตที่ดีงามมีสุขภาพดีอายุยืนยืนเนี่ย้ความพอใจความอยากอันนี้ท่านนียกว่าฉันทะมาทําให้รักคนอื่นอยากช่วยอยากทำอะไรให้เขาแก้ไขปัญหาของเขาอันนี้เรียกว่าเป็นทุนดีจะกตนทีนี้นอกจากตัวฉันทะเนี่ยมีอะไรอีกที่จะช่วยก็มีอันหนึ่งก็คือเ อ, อ่อเรียกว่าจิตสํานึกในการศึกษา จิตสำนึกในการศึกษาคือทางพระท่านก็พูดโยงกับหลักที่ธรรมมาพูดไปแล้วอันนี้เป็นเพียงว่าพูดถึงสิ่งที่พูดไปแล้วแต่เป็นเพียงว่าโยงให้ถึงตัวคุณสมบัติในใจคุณสมบัติในใจที่จะทำให้เกิดไอ้ท่าทีการปฏิบัติอันเนี้ยก็คือเนี่ยไอ้ตัวคุณสมบัติใน ใ, นใจที่ว่ามีจิตสานึกในการสืกผลพัฒนาตนเอง คนเราจะต้องมีจิตสํานึกอันนี้แล้วจะทําให้การทําต่างๆเนี่ยสําเร็จรุ่งเ่องได้ดีคือเมื่อกี้บอกแล้วว่ามนุษย์ น, นี่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและเป็นฝึกได้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐในการฝึกนี่เราสร้างจิตสํานึกในการฝึกตนไว้ในการศึกษาในการพัฒนาตนว่าเราจะต้องพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลานี่เวลาเราเกิดมีจิตสํานึกในการฝึกตนเนี่ยเรามองอะไรแต่ อ, อะไรเป็นบทฝึกตนไปหมดเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกตัวเราพัฒนาตัวเรา อันนี้คนที่มีจิตสำนึกอันนี้มันจะมีข้อดีข้าใหม่อันหนึ่งนะคือว่าธรรมดาคนเราเนี่ยชอบทำสิ่งที่สบายๆก็ง่ายๆถ้าเจอสิ่งที่ยากแล้วมันก็ไม่สบายใจมันก็สูญใจนะแล้วมันก็ท้อแท้ใจหนึ่งก็คือว่าไม่สบายหรือว่าทุกสองก็คือไม่มีกําลังใจจะทานะทั้งไม่สบายทั้งท้อแท้ไม่มีกาลังด้วย ในนี้ถ้าเกิดจิตสำนึกในการฝึกตนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะกลับอันนี้เป็นสงขรามคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยอยากจะฝึกตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะหาไอ้สิ่งที่จะมาช่วยฝึกตัวเพราะฉะนั้นเขาจะชอบสิ่งที่ยากคือถ้าเจออะไรยากพุ่งเข้าหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ยากที่ทําให้เราได้ฝึกตนมากนั้นยิ่งเจอสิ่งที่ยากก็ยิ่งได้มากมยิ่งยากยิ่งได้ เพราะฉะนั้นเขาก็ยิ่งชอบใจสินนคนที่มีจิตสํานึกอันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ลักษณะเขานะเขาเจองานยากไม่กลัวแล้วถ้ามีงานสองอย่างง่ายกับยากคนพวกนี้กลับชอบหันเข้าหางานยากเพราะมันมีจิตสํานึกในการฝึกตนอยู่มันคอยจะหาอะไรมาฝึกตัวเองถือว่ายิ่งยากยิ่งได้ใช่ไหมจริงไหมถ้าเราเจองานยากเราทําได้เรายิ่งได้มากใช่ไหม เพราะนั้นพอเรามีจิตสํานึกอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่กลัวงานยากกลับยิ่งดีใจเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะได้สองอย่างหนึ่งเจองานยากดีใจใจก็สบายใช่ไหมไม่ทุกเนีไอ้คนแรกนี่ฝืนใจทุกเลยคนนี้ไม่ฝืใจกลับสุขดีใจว่าเจองานที่เราจะได้ฝุกตนดีใจและสองก็มีกําลังเพราะว่ามันพร้อมที่จะทําก็เลยว่ายิ่งยากยิ่งได้ทีนี้ในแง่ของมนุษย์เราเจออารมณ์อารมณ์ร้าย อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจนะอารมณ์ร้ายก็เป็นเรื่องฝึกตัวเราเช่นเดียวกันเอะไรยิ่งร้ายก็ยิ่งดีนะยิ่งยากยิ่งได้ยิ่งร้ายยิ่งดีนะถ้าคนมีจิตสํานึกในการฝึกนี้จะมีความรู้สึกอันนี้ลองคิดดูสิจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเราสํารวจตัวเองแล้วเจอสภาพจิตนี้แล้วแสดงว่ามีจิตสํานึกในการฝึกคือเจอยิ่งยากยิ่งได้ยิ่งร้ายยิ่งดีนะเอาเลยทีนี้ยิ่งพอมีจิตสํานึกอันนี้ไม่กลัวอีกน่ะ อันนี้เป็นสภาพจิต ท, ที่ว่าคนเราเนี่ยถ้าเราทําจิตให้ถูกแล้วมันมันแก้ไขสถานการณ์ได้หมดเลยนะ น, นี่จิตสํำนึกในการฝึกเอาละทีนี้นี่ก็เป็นคุณสมบัติในใจอันหนึ่งแล้วก็ต่อไปอันหนึ่งคือท่าทีของการมองสิ่งทั้งหลายเรียกว่าท่าทีจิตใจยึดถือหลักการอันหนึ่งในจิตใจนี่เป็นหลักพุทธศาสนาที่เป็นพื้นฐานพุทธศาสนาบอกว่าเริ่มต้นเดชสมาธิฏฐิถ้าเรามีสมาธิฏฐิ มีความเห็นชอบยึดถือในหลักการที่ถูกต้องว่างคาทีของจิตใจถูกต้องแล้วอะไรต่ออะไรตามมาดีไปหมดสมาธิเาารื่มต้นในพุทธศาสนาคืออะไรสมาธิความเห็นชอบคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปจัจจัยใช่ไหมนั้นยึดถือหลักการนี้เลยสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปจัจจัยเพราะนั้นเราตั้งค่าทีนี้ว่ามองตามเหตุปจัจจัยเวลาเราเจออะไรสถานการณ์อะไรปั๊บนี่บอกมองตามเหตุปัจจัย คนที่ไม่มองตามเหตุปัจจัยจะมองตามชอบชังนะคือมองตามที่ว่ามันชอบใจเราหรือไม่ชอบใจเรานะถ้ามาถูกใจเราเราก็เอาไม่ถูกใจเราเราก็แสดงออกอะไรใช่ไหมนะ น, นี่คนทั่วไปจะมีลักษณะอย่างนี้พอมาเรียนพุทธศาสนาเลิกฝึกตนในบทสุดเบื้องต้นคือสมานทิฏฐิอย่างน้อยตั้งท่าทีเป็นทิฏฐิหลักการเบื้องต้นไว้ว่ามองตามเหตุปัจจัย พอตั้งท่าทีนี้ปักเจอสถานการณ์อะไรประสบการณ์อะไรบอกมองตามเหตุปัจจัยอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่เอานี้เอาอันนี้ขึ้นมาทําให้ชัดเจนขึ้นไปเท่านั้นเองว่ามองตามเหตุปัจจัยเท่านี้แหละท่านชนะเลยอย่างน้อยสะดุดเลยนะเลยมองคือสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันยั่วยวนชวนใจเราให้หลงไปตามบ้างเปิดปฏิกิริยาบ้างนะในทางที่เรียกว่าชอบใจไม่ชอบใจหรือท่านคาเรียกว่ายินดียินร้ายเนี่ย อารมณ์ต่างๆเข้ามาเนี่ยจะชวนใจเราให้รู้สึกอย่างนั้นเท่านั้นเลยทีนี้พอถ้าเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ตอบโต้นะสิ่งที่ถูกใจเราก็ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็ชังเราก็ยินยินร้ายเกิดปฏิกิริยายงเงี้ยแล้วเราจะคิดกลุงแต่งเราก็เอาไอ้ความรู้สึกสิ่งที่เราชอบไม่ชอบมากลุ่งแต่งในใจแล้วก็คิดไปต่างๆแล้วเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ทั้งในใจตัวเองแล้วแสดงออกก็ไม่ดีนี้พอเราบอกว่ามองตามเหตุปัจจัยเนี่ยไอ้ความรู้สึก ชอบใจไม่ชอบใจสะดุดทันทีตัดลงทันทีนี่คือสติมาสติก็กนําเอาไอ้ตัวหลักการคติที่ยึดไว้ว่ามองตามเหตุปัจจัยเนี้มาใช้ไอ้การมองตามเหตุปัจจัยก็ส่งต่อให้ปัญญาทันทีเพราะการมองตามเหตุปัจจัยนี่คือต้องใช้ปัญญาใช่ไหมผมบอกว่ามองตามเหตุปัจจัยก็ต้องอศึกสาวเรื่องราวเป็นยังไงเกิดจากอะไรใช้ปัญญาทันทีสิ่งที่มองนั้นไม่เข้ามากระทบตัวเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะสะดุด ปัญญาเกิดขึ้นปัญหาไม่เกิดเนีปัญญาไม่ทําให้เกิดปัญหาปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาเะนั้นปัญญาเกิดปัญหาหยุดถ้าปัญหามาปัญญาหยุดเนีเพราะฉะนั้นหรือปัญหามาแล้วต้องรีบให้ปัญญาเกิดแล้วปัญญาจะแก้ปัญหาได้แต่ว่าตัวที่จะนําปัญญามาส่งต่อก็คือสติพอสติมาก็ส่งต่อปัญญารับปัญญารับช่วงก็สืบสาวหาเหตุปัจจัยมองตามข้อที่จริงอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไงอย่างที่ว่าอย่างระบบของชีวิตจิตใจพระราหันเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้น คือมองตามเหตุปัจจัยหมดเวลาเจอสถานการณ์เราเจอคนไข้หน้าตามไม่ดีมีอะไรเกิดขึ้นนะเราถามนี้แล้วถามตัวเราเองมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรในใจเขาหรือมีเรื่องอะไรกระทบเรามองตามเหตุปัจจัยเราเือแล้วนี่มองตามเหตุปัจจัยมีอะไรปัญหาเกิดไม่ได้มองเข้ามากระทบว่าเราชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมมองตามเหตุปัจจัยปั๊บนี่สะดุดเลยสิ่งที่เรากระทบไม่เข้ามาถึงตัวเราได้ ปัญญาเป็นตัวตัดไม่ให้สิ่งที่จะเข้ามาหาเรานะี่ยถึงตัวเราได้นะมันกันหมดเลยปัญญากันไม่ให้ภัยอันตรายเข้าถึงตัวแล้วเป็นตัวที่สกัดดับปัญหาทันทีเลยต่อจากนั้นการคิดจะเป็นไปนในทางที่เกิดความคิดช่วยเหลือเขาแล้วนะพอเราเกิดปัญญามองตามเหตุปัจจัยเนี่ยเราศึกษาว่าเรื่องราวเป็นยังไงตอนนี้มันไม่มีปัญหากับตัวเราแต่จะมีความคิดช่วยเขาเลย ว่าเออเขาเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรกเขาเหตุปัจจัยอะไรทาให้เขาเป็นอย่างไงต้องหาดูซิมันเป็นยังไงกรุณาเกิดขึ้นแทนที่จะเกิดปัญหากับตัวเราทุกข์ไม่เกิดเกิดกรุณาคิดจะช่วยหรือก็ทันทีนี่ก็เป็นวิธีการเนะมองตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นหลักการพุทธศาสนาเบื่องแรกก็ให้มีสมาริที่ก็ตัวนี้แหละเอามาใช้เลยเพอเอาตัวนี้มาใช้ฉันี้ยก็พึ่งธรรมะแหละที่เราบอกว่าพุทธทางกำลังกัจฉามิธรรมังตรานังกัจฉามิสังขารตรานังกัจฉามิเราพึ่งมึงเปล่า นี่แค่นี้ก็บาทีเราก็ไม่ได้พึ่งแหละธรรมะคืออะไรคือความจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันเป็นไ ป, นปนตามเหตุปัจจัยเลยอ้าวก็ความจริงทีง่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเนี่ยก็เราก็ต้องเอามาใช้สิอ่าถ้าเราพึ่งธรรมะเราก็ต้องเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมพอเราเอาหลักการนี้มาใช้ปั๊บนี่คือเราเริ่มพึ่งธรรมะเนี่ยธรรมะมาเป็นหลักชีวิตของเราแล้ว นั้นแม้แต่ใช้หลักการนี้ก็ช่วยได้มากแล้วในการปฏิบัติงานเป็นว่าตั้งหลักการไว้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์อลายประสบลายบอกตัวเอง ท, งทันทีมองตามเหตุปัจจัยต่อจากนั้นจิตของเหล่านี้ไปตามกระแสะปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริ ง, ถ, ง, รงถึงสาวและคิดแก้ปัญหาปัญหาไม่เกิดปัญญาเกิดแทนนะอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งแล้วรวมแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่า เสร็จแล้วหลักการทั่วไปก็คือว่าโดยวิธีปฏิบัติแบบนี้จะไม่เกิดตัวตนขึ้นมารับกระทบอะไรทั้งสิ้นคนเราที่มองสิ่งทั้งหลายในแง่ชอบชังยินดียินไล่มันจะเกิดตัวตนของเราขึ้นมารับว่ามันถูกใจเราไม่ถูกใจเราเนะี่ยมันกระทบเราใช่ไหมแต่พอเราใช้ปัญญามองตาเหตุปัจจัยเนี่ยมันไม่มีตัวตนเกิดขึ้นมาเลยพะฉะนั้นระบบที่ว่าเมาทั้งหมดเนี่ยสรุปก็คือว่าไม่มีตัวตนเกิดขึ้นมารับการกระทบ พอไม่มีตัวตนับกระทบสิ่งทั้งหลายเราก็ไปตามกระแสของอปัญญาที่จะพิจารณาแก้ไขเหตุการณ์อย่างน้อยมันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งตัวเองก็ไม่มีปัญหาทีนี้อีกอันหนึ่งอ้าวอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอแล้ อ, อยังไม่ไม่ชํานาญในการใช้หลักการวิธีการเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้ตัวช่วยไว้เบื้องแรกที่สุดตัวช่วยเบื้องแรกที่สุดก็คือหลักเรียกว่ากัลยาณมิตรนะ่ ก็าหาบุคคลอื่นปัจจัยในทางสังคมหรือไม่ใช่คนก็ได้เป็นหนังสือหนังหาเป็นอะไรต่างๆได้นะ่ะที่จะเป็นคู่มือเครื่องปลอบใจอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะหาเรื่องง่ายๆกว่าการยานนะมิตรเป็นบุคคลอื่นที่มาในรูปของตัวคนจริงๆบ้างหนังสือบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาสําหรับมาช่วยเป็นอะไรนะเพื่อนชีวิตมิตคู่ใจอะไรทำนองนี้นะเพื่อนคู่คิดมิตคู่ใจนะ แล้วหลับเวลาเรามีปัญหาเราก็ไปได้พูดได้คุยจะได้ส่งเสริมกาลังใจเพราะบางทีเราอาจจะเกิดความท้อแท้อาจจะเกิดความละอาหนุ่อยอ่อนก็มาช่วยกันแม้แต่มีสองคนที่ใจไปกันได้เท่าแนวทางก็มาช่วยกันคิดนะอีกคนหนึงก็ปลอบมนเรื่องอะไระอะไรก็ให้กําลังใจกันอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องตน้น mm. ฉันเรียกว่ามีกัญยาลามิตรมาช่วยนะอันนี้ก็เป็นหลักวิธีการต่ตางๆอาตมาว่าแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้นะ คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานพอสมควรอันนี้ก็เป็นหลักการต่างๆในทางาพุทธศาสนาซึ่งเราสามารถใช้ได้หลายระดับนะฮะตั้งแต่วิธีเบื้องต้นเนยที่ดีแบบว่าที่แบบมองเป็นสนุกแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาจนกระทั่งถึงวิธีของพระธลหันไปเลยเ น, น่อนี้ที่เรามาทำทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วมันก็คือการปฏิบัติต่ตอคนอื่นโดยเฉพาะนนคนไทยอันนี้เราก็มามองดู ที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนไข้อีกทีหนึ่งดันั้นวิธีปฏิบัติวิธีทําใจของเราเป็นต้นนี้มามองดูในแง่งความสัมพันธ์ก็จะมีคุณธ ร, รรมที่เป็นตัวยืนที่เด่นซึ่งเราก็จะพูดว่าเมตตากรุณาใช่ไหมเมตตากรุณาทีนี้การปฏิบัติต่อคนไข้คือคนที่มีความทุกข์คนที่มีความเดือดร้อนการปฏิบัติต่อคนเหล่านี้จะใช้คุณธรรมในภายในใจคือความกรุณา แต่ว่าคุณธรรมในหมวดนี้มีหลายอย่างวันนี้ธรรมาก็เลยถือโอกาสเอามาพูดซะให้เป็นชุดกันคือเรามักจะได้ยินคุณธรรมต่างๆเนี่ยพุ่งกันมาเราจะได้ยินความกรุณานี้มาพู่กันบ่อยกับคำเมตตาเป็นกระทั่งว่าเราเนี่ยพูดพวกกันไปเป็นคำคู่ว่าเมตตากรุณาอันนี้เราจะพูดถึงว่าอาชีพของแพทยพ์ของพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเมตตากรุณามาก จะต้องเพิ่มภูมิถูกฝังพัฒนาคุณธรรมอันนี้ขึ้นในใจอันนี้เราก็ต้องแยกได้ก่อนบางทีเราแยกไม่ออกแม้แต่ความหมายระหว่างเมตตากับกรุณานีถ้าเราก็พูดปนกันไปกระทั่งว่าเอออันไหนเป็นเมตตาไหนเป็นกรุณาอันนี้ธรรมาก็เลยขอทีอโอกาสนี้วันนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมพวกนี้บางอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นหลักธรรมชุดนี้ที่จริงมีสี่ข้อนะไม่ใช่มีแค่เมตตากรุณา มันมีมุทิตาแล้วก็อุเบกขาทั้งชุดนี้มีสี่ข้อเียก็ชมวมมิหารสี่ชมวิหารก็แปลว่าทำประจำใจหรือเป็นที่อยู่ของใจของผู้ที่มีจิตใจดันพรมคือพรมนั้นในทาพุทธสัตว์นว่าผู้ปเปิดเเนีจะมองในแง่เป็นรูปธรรมเป็นบุคคลาธิษฐานว่าเหมือนกับว่ามีหน้าสี่หน้ามองเห็นทุกทิศก็ได้หมายความว่า คือมีหน้าที่มองดูสรรพสัตว์เห็นหมดไม่ได้มองเฉพาะาด้านใดด้านหนึ่งไม่มองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมองทั่วกันอันนี้ก็ในแง่หนึ่งก็คือความประเสริฐความยิ่งใหญ่ของจิตใจที่ว่าเป็นพรหมนี่ก็คือใจประเสริฐใจยิ่งใหญ่อใ น, นวิหารนั่นเราที่อยู่ที่พักมาทาเป็นที่อยู่ของใจใจที่ประเสริฐใจประเสริฐจะอยู่ในหลักธรรมสี่ประการนี้ในสี่ประการนี้ก็มีหนึ่งเมตตาสองกุณา เมตตากรุณาต่างกันอย่างไรนะวิธีง่ายๆดูความต่างก็ดูที่คนที่เราจะไปแสดงออกต่อเขานะถ้าคนนั้นเขาอยู่ในภาวะปกติไม่ได้มีเรื่องเดือด ร, ร้อนเรือเนื้อร้อนใจอะไรนะเขาก็อยู่เป็นประจำวันเนี่ยเรื่อยๆนะอย่างนี้คุณธรรมที่จะใช้ก็คือเมตานะเมตาเมตตาและความรักความเป็นมิตรเมตตาด้นมัตถุศัพท์เดียวกับมิตรมิตร เมตตาไมาตรีมาจากรากักสัมเดียวกันเมตตาไมาตรีก็อันเดียวกันไมตรีเป็นสนธิปิดเมตตาเป็นบาล <Yeah. S 1> อันนี้ความเป็นมิตรก็คือการที่ว่ามีความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นดุจแต่ตอนนี้ก็เลยขอพูดถึงความรักเป็นอีกสองอย่างความรักไอความรักที่ว่าเป็นมิตรเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความรักชนิดหนึ่ง ความรักประเภทนี้ที่เรียกว่าเมตตามีลักษณะคืออยากให้คนอื่นเป็นสุขความหมายของเมตตาชัดเลยคืออยากให้คนอื่นเป็นสุขทีนี้ความรักมีสแบบความรักแบบหนึ่งคือความต้องการเอาผู้อื่นมาทําให้เรามีความสุขความต้องการครอบครองต้องการให้เขามาทําให้เราเป็นสุขเป็นความรักแบบหนึ่งและความรักแบบที่เราต้องการในที่นี้คือความรักที่อยากให้เขาเป็นสุขอันนี้เป็นตัว การแยกความหมายที่สาคัญอันนี้ความรักที่ไม่แท้คือความรักที่ว่าอยากให้คนอื่นมาทำให้เราเป็นสุขอยากเอาเขามาทำให้เราเป็นสุขใช่ไม mm hmm. ก็คือพูดง่ายๆเอาเขามารบราเรอความสุขให้เราความรักประเภทนี้อันตรายไม่แท้ไม่จริงไม่ยัง่งไม่ยืนถ้าหากว่าเขาไม่สามารถมาสนองความต้องการปรารถนาของเราเมื่อไร่เราจะเกลียดชังทันทีหรือเปล่าน แต่ถ้าเป็นความรักประเภททีสองเรียกว่ารักแท้คืออยากให้เขาเป็นสุขเช่นพ่อแม่รักลูกพ่อแม่รักลูกความหมายคืออยากให้ลูกเป็นสุขใช่เป่านีความอยากให้เขาเป็นสุขนั่นคือความรักแท้ที่เรียกว่าเมตตาถ้าความรักอันนี้เกิดขึ้นแล้วปลอดภัยเนี่เพราะฉะนั้นในชีวิตแม้แต่ครอบครัวเนี่ยแม้เราเริ่มด้วยความรักประเภทที่หนึ่งก็ต้องให้มีความรักประเภทที่สองตามมาถ้าความรักประเภทที่สองเกิดไม่ได้และอันตราย ในที่สุดจะอยู่ไมายัางยีนนั่นก็ต้องให้อันที่สองนี้เข้ามาอย่างน้อยมาได้ดุลยภาพมีความสมดุลกันนี่ความรักเอเไปที่สองนี่คือธรรมะที่เรียกว่าเมตตาอยากให้เขาเป็นสุขพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นสุขนะลูกอยากให้พ่อแม่เป็นสุขอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเมตตาเแต่ว่าใช้ในภาวะที่อยู่เป็นปกติทีนี้ถ้าคนนั้นเขาเกิดมีความเดือดร้อนเป็นทุกข์ ตกลงไปจากสภาพปกติคุณธรรมข้อที่สองมาคือกรุณ า, ากรุณาคือใจหวั่นไหวเมื่อเขาเมื่อเห็นเขาเดือดร้อนมีความทุกข์ต้องการจะปลดเปรื่องเขาให้พน้นจากความทุกข์เรียกว่ากรุณาอันนี้เป็นตัวแยกที่ชัดเจนมากต่อไปนี้ยราได้ไม่ต้องไม่ต้องคิดให้ลำบากว่าเมตตากับกรุณาต่างกันอย่างไรดูที่คนที่เราจะมีคุณธรรมอันนี้ต่อเขา ถ้าเขาอยู่เป็นปกติอยากให้เขาเป็นสุขสบายอยู่อย่างนั้นนะมีไมตรีจิตเรียกว่าเมตตาถ้าเขาเดือดร้อนตกต่าเป็นทุกข์ลงไปอยากให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นเรียกว่าการุณานะฮนเพราะฉะนั้นอาชีพของแพทย์พยาบาลเนี่ยจะใช้กรุณามากไม่ใช่เมตตาเมตาก็มีความเป็นมิตตลอดเวลาหมายความว่าคนไข้มาตามปกติเมื่อเขาอยู่สบายแล้วต้องมีความเป็นมิตมีเมตตา อยากมิตรคนไข้มาเราก็มีเมตตานีามีเมตตาอยู่เป็นประจำมเมตตานี่จะใช้มากที่สุดกรุณาใช้เมื่อเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนทีนี้แค่นี้ไม่พอจะมีคุณธรรมข้อที่สามถ้ามีแค่สองนี้ไม่ครบคือยามเขาดีขึ้นเนี่เขาตกต่ําเราใช้กรุณาเขาสามเขาขึ้นเขาขึ้นคือเขาประสบความสําเร็จเขามีความสุขเขาทําสิ่งที่ถูกต้องดีงามจเจริญก้าวหน้าเรามีข้อที่สามเรียกว่า พลอยินดีด้วยช่วยสนับสนุนส่งเสริมเรียกว่ามุทิตานะีข้อที่สข้อที่สามนี่นคนไทยไม่ค่อยพูดถึงเรามักจะอยู่แค่เมตตากรุณานะีข้อที่สเลยเอย๊ไม่ค่อยจะมีได้ไงนะีข้อสานี่สําคัญเหมือนกันกอยามเขาคนไข้เขาสบายเขาหายโรคอะไรแต่อะไรกมม็มีมูลมีมุทิตาในความพลอยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีสุขภาพดียิ่งขึ้นไปให้เขาแข็งแรงยิ่งขึ้น สามและเลย่อนดูเหมือนว่าครบแล้วนะเนะี่ยดูเหมือนว่าครบแล้วคนมันก็อยู่ในภาวะสามอย่างเนะี่ยหนึ่งอยู่เป็นปกติสองมันก็ตกต่ําลงไปสามมันก็ดีขึ้นเนะี่ยทีนี้มันมีอะไรอีกทําไมพระพุทธเจ้าจัดข้อสี่ไว้นะข้อสี่มีความหมายสําคัญมากหนึ่งถึงสามนี่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขานะเรากับเพื่อนมนุษย์สัมพันธ์กันตอนนี้ยังไม่มีตัวที่สามเข้ามา เรากับเขามีหนึ่งเขาอยู่เป็นปกติเรามีเมตตามไมตรีสองเขาตกต่ําลงเป็นทุกข์เรามีกรุณาสามเขาดีขึ้นประสบความสุขสําเร็จเรามีมุทิตาเนะี่ยไ้เรากับเขาเรากับเพื่อนมนุษย์ทีนี้ต่อมามันมีตัวที่สามเข้ามาตัวที่สามนี้คือความถูกต้องชอบธรรมหลักการกฎเกณฑ์ไอตัว ความจริงความถูกต้องชอบธรรมโดยธรรมชาติอย่างหนึ่งนะโดยเป็นความดีที่มีอยู่ตามธรรมดาและความถูกต้องชอบธรรมที่วางเป็นบัญญตัติเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างหนึ่งเป็นระเบียบเป็นกฎหมายอะไรก็แลแ้วแต่ยอยู่ในข้อนี้หมดตัวการที่สามนี่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าความสัมพันธ์ของเรากับเขาในหนึง่งสามนั้นไปกระทบไอ้ตัวนี้เขา้านะ ตัวอันที่เนี่ยตัวธรรมะตัวความถูกต้องหลักการกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนั้นนะเราจะต้องคํานึงที่ตัวที่สามนี้ไอ้ตัวความสัมพันธ์ระว่างบุคคลนี้จะต้องยังอะไรเดี๋ยถ้าหากว่าเราจะไปช่วยเข า, เาหรือส่งเสริมเขาเช่นคนนี้เป็นลักขโมยเขาได้เงินมาดีใช่ไหมประสบความสําเร็จในการลักขโมยเนี่ย เเราจะมุทิตาหรือใช่ส่งเสริมบโอ้คุณคุณฉันจะช่วยให้คุณรักของได้มากกว่า น, นี้อีกเนี่ยไม่ได้ใช่เนี่ยเขาประสบความสำเร็จอย่างนี้มันไปกระทบตัวที่สามแล้วหลักการตัวธรรมะอันนี้หยุดเลยมุทิตาไม่ได้การุณาก็เหมือนกันอย่างผู้พิพากษาบอกว่าไอ้ในคนนี้ไปฆ่าเขามาจะไปสงสารจะไปช่วยให้พ้นจากโทษอะไรนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหนั้น ตัวที่สามคือตัวธรรมะคือหลักการความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมความชอบธรรมหลักการกฎเกณฑ์กติกาของสังคมเนี่ยจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็าตามอันนี้คือตัวที่สามถ้าตัวนี้เข้ามาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึ่งกับสองนี่ต้องยั่งก่อนไปดูอันที่สามอันนี้คือตัวที่ว่าต้องอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่เข้าไปก้าวไกลแทรกแซง เพื่อให้เขารับผิดชอบหมายความว่าตอนนี้เราจะต้องให้คนนั้น่ะรับผิดชอบกับตัวธรรมะตัวหลักการกฎเกณฑ์ความถูกต้องชอบธรรมนั้นแล้วเราก็เป็นเพียงว่าดูแลช่วยให้เกิดความทิ้นธรรมและส่วนใดที่มีเมตตากรุณาช่วยก็จะให้ไปผิดอันนั้นอือันนี้คือข้อบเบกขาบเบกขาที่ยากที่สุดต้องมีปัญญาข้อหนึ่งสองสามนั้นไม่ต้องมีปัญญาเท่าไรหร่หรอกเป็นท่าทีระหว่างบุคคลมันทํากันง่าย แต่อันที่สี่ข้ออุเบกขาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาทําไม่ได้ถ้าไปวางเฉยอุเบกขามันจะแปลกว่าเฉยถ้าหากว่าเฉยโดยไม่ใช้ปัญญาท่านเรียกว่าเฉยโง่ท่าเรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยโง่เป็นอกุศณเป็นบาสนี่ได้แก่เฉยไม่รู้เรื่องแล้วก็เฉยไม่เอาเรื่องแล้วก็เฉยไม่ได้เรื่องทีนี้ถ้าหากว่าเป็นคนมีอุเบกขาถูกต้องแกเฉยรู้เรื่องน รู้ว่าตอนนี้จะต้องทํายังไงวางตัวยังไงจึงจนะเพื่อให้มันได้ความถูกต้องชอบธรรมให้ทุกสิ่งเป็นไปดีดีนะแม้แต่พ่อแม่เลี้ยงลูกถ้าเลี้ยงลูกไม่เป็นนะลูกไม่รู้จักโตบางคนพ่อแม่นะี่ยมีแต่เมตตาบางคนมีเมตตากรุณาบางคนมีเมตตากรุณามุ้ทิตาสามข้อขาดอุเบกขานะโอ้ลูกเอาใจลูกกลัวลูกจะลําบากกลลูกจะ เ, เจ็บเมื่อยอะไรต่าง ทำแทนหมดนะ่ลูกทําอะไรไม่เป็นเลยนี่ต้องวางเบรคขาบ้างนี่วางเบขาคือหมายความว่าเออตอนนี้เราต้องให้โอกาสเขาพัฒนาตัวเองให้เขาหัดรับผิดชอบตัวเองหนึ่งให้เขาหัดรับผิดชอบตัวเองเขาจะได้ทําอะไรเป็นอ่าให้เขาหัดทําอะไรเป็นเรียกว่าหัดรับผิดชอบตัวเองบ้างเราต้องมองดูว่าตอนนี้อันนี้นะให้เขาหัดทําบ้างให้เขาเหน็ดเหนื่อยบ้างเขาต้องฝึกตัวเองก็ต้องลำบากบ้างเป็นธรรมดาน่ะ เม่ใช่ว่าลูกได้รับการบ้านมาเดี๋ยวคิดสมองเมื่อยนะ่ะพ่อแม่ไปทําการบ้านแทนอย่างนี้ก็แย่นะสุดเสร็จแล้วกลัวลูกลําบากมีเมตตากรุณามากลูกเลยไม่เป็นเลยใช่ไหมนีพ่พอแม่ที่เขาเก่งในรู้จักให้เมตตากรุณาพุทธิตาเนี่ยได้สดส่วนดุญยภาพกับอุเบกขาถึงเวลานี้ไม่ใช่เราไม่รักนะแต่เราต้องวางอุเบกขาบ้างให้เขาหัดทําอะไรเองลูกเขาจะได้ทําเป็นก็วางอุเบกขา วางทีเฉยดูอุเบกขานั้นแทบแปลว่าคอยดูนะอุเบกขาตัวศับอุป่าอีกข่าอีกขาก็ดูอุป่าแปลว่าใกล้ๆคอยคอยดูอยู่ใกล้ๆไม่พาเขาเพียงครั้งเมื่อไรเข้าทัวรช่วยเดททันทีพร้อม <Yeah. S 1> พร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์แต่ว่าอย่างอย่าเข้าไปก้าวไกลแสงแดดหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อลูกจะต้องฝึกขัดรับผิดชอบตัวเองทําอะไรให้เป็นเองพ่อแม่ต้องวางอุเบกขานี่ใช้ปัญญาในกรณีที่หนึ่งวางเฉย นี่ลูกจะโตได้ดีเลยนะสองคือเมื่อลูกสมควรรับผิดชอบการกระทาทุกตนนี่หัดเหมือนกันใช่ว่าเขาทำอะไรผิดเรามีกติกาในครอบครัวไว้นะกติกาสังคมครอบครัวเราเป็นสังคมย่อยต่อไปลูกเราก็ต้องไปอยู่สังคมใหญ่เขาจะต้องเรียนรู้ชีวิต